รอมาถึงนานแต่ละคืนก็คอยฝันไปจะมาเมื่อไรแค่สักคนที่ใจฉันฟอ่ามีเพียงแต่เงาที่วันวันเดินเคียงฉันมารอคนสบตาและเขามาต่อเติมหัวใจ เวลานี้มีเธอทางคนจากฝันก็กลายเป็นมาคนนั้นเมื่อเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธอวันคืนที่รอหมดไปแล้วเมื่อได้พบเธอ การเจอกับเธอตอบคำถามที่คาค้างหมดใจฝันไว้แค่ไหนแต่วันนี้ได้เกินฝันไปในคนมากมายช่างโชคดีที่เราพบกันวันนี้แค่สิบนาทีที่เจอ แต่ใช่เธอ มา